ห้าสิ g เก้า s 5สกิที่ทาการรส์นีที่ทาการไพรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน กุชนล่าหิมโพสต์คอนทอร์กุชนล่าหิมโพส o ์คอนทอร์ที่ทำการไพรส์นีใกล้จากที่นี่ไหมกสเลกมมต้ไรสนีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนลกสห ดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงมูลนิพพ์โริโพสต์มร์กิวายามลริโพสต์มอร์ิวายาสำหรับการและจดหมายอืเฮเลคอร์ตี่ลยาอืเฮเลกิริอเลยอเฮเลคร์่ลยาเฮเลรเลค่าส่งไปษณีไปอเมริการาคาเท่าไหร่กูยี่ไยูมักซาปกกีสัตมีนอเมริกา กุยบอูมนเมริพัสดุหนักเท่าไรยรันสป็อรสกอดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมขสวิ่งส์เลลล์นนูโพสต์่ขสมวิ่งส e เลลลนสต์่กษัตใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนคุสมะเ i s ิสตัสออนตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนกุชนลหิมเตลัฟฟอนคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ k a s t e l o n telefoni k a r t e k o s t e l o n telefoni korte คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ k o s t e l o n telefoni ramatut a k o s t e l o n e telefoni ramatut คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ t ท่าเตเ a ออสเต a ียซู a ากูต i เท่าเตเตออส r ตรียซูนรอสักครู่ ขอดูก่อนนะคะขึ้นส e กม a วั a หนึ่งกิขึ้นสักมาว a t ห n jär กสายไม่ว่างตลอดเวลา liin on p i ปิ v a l t h ัน v a t วัดต i ลีนน l นน์ปิดแต่วันทีุคุณต่อเบอร์อะไร m i l ลิเซนุ่มบรีเทวาลิสิตเต l มิลุ่มบรีเทว i ลิ คุณต้องกด0ก่อนเ e a t e ย s, <S i m e s e n a nulli valima. Te ท e a t e esimesena n ุ l l i valima.